หนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 0-4423300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 ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอ า, าสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกา้บวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่รึมงมือที่ไลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา พลังนำพาสู่ความสุข I'm not a f r ครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการสุขอาสาครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5สิบเมิกนะครับอยู่กับผมรัฐพลดีอุดนะครับกับเรื่องราวของงานอาสาต่างๆกิจกรรมอาสาต่างๆนะครับที่นํามาพูดคุยนํามาแช่นะฮะบอกต่อในรายการแห่งนี้นะฮะรวมถึงมีกิจกรรมดีๆงานอาสาดีๆมาเชิญคุณผู้ฟังนะฮะไปร่วมทํากิจกรรมดีๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกแบบนี้ กับเรื่องราวข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการร่วมมือกับสภากาชาติไทยชวนร่วมสร้างกุศลบริจาคอวัยวะให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์นะครับโดยผู้บริจาคหนึ่งคนสามารถ ด้วยผู้ป่วยได้ถึง8คนเลยทีเดียวนะครับโดยนายแพทย์สุ ข, ขุมการจนทพิมายป ร, รัชตกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์นะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองได้ร่วมกับสภาการชัดไทยนะฮะได้จัดทําโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรภาวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2,562 นะครับได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วย ิตและลดความพิการแก่ผู้ป่วยทยี่รอการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับซึ่งผู้บริจาคหนึ่งคนจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง6คนเลยทีเดียวนะครับโดยในเพศย์สุขุมการชนะพิมายกล่าวต่ออีกนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญในเรื่องของการดําเนินงานระบบบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีความเข้มแข็งพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือ Service Plan สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่าย อวัยะร่วมมือกับสภาการชาติไทยนะครับในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอัยวะในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเลยนะฮะและพัฒนาทีมจัดเก็บอัยวะในทุกเขตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงรบริการปลูกถ่ายอัยวะที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะการปลูกถ่ายไตยและดวงตาซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับได้ ขอชื่นชมนายอรุธินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้บริจาคอวัยวะด้วยจิตอาสาช่วยเหลือขนส่งอวัยวะด้านการขับเคลื่อนเครื่องบินส่วนตัวและสนับสนุนงานบริจาคอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอความหวังนะฮะนี่คือคำกล่าวของนายแพทย์สุขุมกัญจนาพิมายนะฮะปรลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กล่าวไว้นะครับด้วยทางนี้ครับผู้นูฟังข้อมูลหน้าวันที่30กันยายน 2,512 มีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับการบริจาคอวัยวะจำนวน6 พั1สรายนะครับมีผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคเพียงร้อยละเกหรือรอรับอวัยวะ10คนมีโอกาสได้อวัยวะ1คนเท่านั้นนะครับและรอรับดวงตา 13,510 รลายนะครับด้วยปัจจุบันสามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้ปีละ5 0 0ร้อถึงเจ็ดรายและสามารถปลูกถ่ายกระจกตาได้ปีละ7 0 0ดร้ถึงแปดรลายผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคอวัยวะและดวงตา ก, ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะครับโทรหมายเลข โทรศัพท์022564045 022564046ในวันและเวลาราชการนะครับละที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยหมายเลขโทรศัพท์022564039 022564040ในวันและเวลาราชการเช่นเดียวกันครับและนี่คือเรื่องราวในตอนต้นของรายการที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักกู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวมาฝากคุณฟังเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของคนอาสาแต่จะเป็นเรื่องราว อ, อ, อ, อะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรวมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิทิ์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ณสนาม ว, วินเซอร์พาร์ k และกอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครรายได้สมทบทุนรวมสร้างหอพระพุทธพิริยะมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 กลับมากับช่วงที่2นี้ครับกับคนอาสาครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คนอาสานะครับมีเรื่องราวของจิตอาสานะครับซึ่งเขาเป็นคุณหมอจิ๋วนะครับกับภารกิจในการร่วมดูแลผู้ป่วยเหลือหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในการทํางานเชิงรุกนะครับเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการประชากรไทยสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับด้วยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัยนะครับโดยดรสัินันท์วาสินพยาบาลชํานาญการพิเศษสาขาวิชาเวิทยาตรส ศาสครอบครัวศูนย์การแพทย์ปัญญาณนันทภิกขุชนะระทานเผยนะครับว่าสาขาวิชาวิศาสตร์ครอบครัวศูนย์การแพทย์ปัญญาณนันทภิกขุชนรัปทานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธนะครับได้จัดโครงการระยะยาวในการนําทีมนักสุขศึกษาลงพื้นที่จังหวัด สแก้วทำงานเชิงรุกนะครับในการรับสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งมีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น, นักสาธารณสุขอาส า, า, าสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเยาวชนในพื้นที่นะครับในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ กลุ่มคนเหล่านี้ให้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้นะครับภายใต้โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสามอจิ๋วนะครับโดวยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับที่เกี่ยวกับร่างกายและกลุ่มโรคที่มักเป็นในผู้สูงอายุอย่างเช่นกลุ่มโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหัวใจนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยอาหารและการออกกําลังกายนะครับนอกจากนั้นเองยังสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำ ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือต้องนอนติดเตียงนะครับสำหรับหลักสูตรอบรมที่มีความจําเป็นต่อการช่วยฟื้นฟูนร่างกายของผู้สูงอายุนั่นก็คือการนวดซึ่งหมอจิ๋วจะต้องรู้หลักการนวดเพื่อสุขภาพเบื้องตน้นเพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยนะครับด้วยการนวดผู้สูงอายุจะครอบคลุมหลากหลายวิชาอาทิฉลาภาพวิทยา กายภาพวิทยาและสรีรวิทยานะครับเวชศาสตร์วัยชร า, ากายภาพบำบัดนะฮะเพราะว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นการขยับขยื่อนการเคลื่อนไหวของคนชร า, าซึ่งทําได้จํากัดนะครับจึงทําให้การหมุนเวียนโลหิตลดลงการส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์และการขจัดพิษออกจากเซลล์ก็ช้าลงไปด้วยนะครับซึ่งการนวดเองก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มโลหิตไปเลี้ยงยังบริเวณเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังเป็นการกระตุ้นระบบน้ําเหลืองช่วยสร้างความอ่อนนุ่มให้กับเนื้อเยื่อในในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อ ที่แข็งตัวจนขาดความยืดหยุ่นกลับมาอ่อนนุ่มขยับขยื่นข้อต่อกำเนิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งการนวดเองนะครับจะเป็นการช่วยบรรเทาโรครูมติซึมข้ออักเสบปัญหาของข้อต่อและสะโพกนะครับการหมุนเวียนของโลหิตที่บกพ่องปวดบั้นเอวปวดขัด ที่คอหรือไหล่นะครับไม่สบายเท้ามีปัญหาในการเดินหลังโกงหรือแอนเพราะกระดูกสันหลังโคง้งผิดปกตินะครับทั้งนี้เองครับคุณผู้ฟังการนวดสําหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยก็ควรเริ่มต้นที่ท้ายทอยต้นคอและตามที่ต้นบ่าศีรษะรวมถึงแขนด้วยนะครับเนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักมากซึ่งข้อควรระวังในการนวดผู้สูงอายุนะฮะก็คือผู้ที่มีโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานถ้าอยู่ในสภาพะอันตรายก็ไม่ควรนวดนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอาการข้อ อักเสบบวมแดงโรคติดต่อหรือโรคผิวหนังร้ายแรงนะครับส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโกกรคกระดูกพุนหรือโกกรคกระดูกบางก็ควรนวดเบาๆหลีกเลี่ยงท่านวดที่เป็นการนวดลึกและหนักและควร นวดหลังรับประทานอาหารสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วพี่เลี้ยงหมอจิ๋วจะพาหมอจิ๋วเนี่ยออกไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนนะครับร่วมกันกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนนะครับด้วยจิตอาสาหมอจิ๋วจาก4ี่ตำบลของจังหวัดสะแก้วเองจะประกอบไปด้วยตำบลห น, นองแวงตำบลห น, นองลมตำบลห น, นองหมูและตำบลห น, นองสังนะครับได้นําเสนอผล ง, งานการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยตลอดปีที่ผ่านมาที่ได้ช่วยเหลือพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลผู้ป่วยนะฮะและยังระดมสมองร่วมกันเพื่อสรุปความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยนะครับโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเด็กๆ เ, เองสนใจที่จะอบรมเพิ่มเติมให้รู้ลึกมากขึ้นซึ่งในโครงการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสามอาจิวนี้นะฮะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการออกกำลังกายและการดูแลเรื่องของอาหารพภชนาการนะครับรวมถึงเด็กๆยังอยากให้เพิ่มจำนวน วันอบรมโครงการหมอจิ๋วมากยิ่งขึ้นเพราะอยากเรียนรู้งานด้านสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและชาวบ้านในการนําวิชาวความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่มาของข่าวสารและเรื่องราวของคนอาสาดีๆนี้จากสยามรัฐด้วยนะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวของคนอาสาจิตอาสาคุณหมอจิ๋วกับภารกิจในการร่วมดูแลผู้ป่วยเรื้อรังรวมถึงผู้สูงวัยในจังหวัดสแก้วด้วยนะครับของน้องๆคนอาสาเหล่านี้ที่นํามาฝากในช่วงของคนอาสานะครับคุณฟัง ครับก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องของภารกิจจิตอาสาในช่วงหน้าผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากคุณฟังนะครับเป็นเรื่องราวของยิบซ้ำตาช้างนะครับในการรวมพลพนัก ง, งานจิตอาสาเดินหน้าส่งมอบความสุขเพื่อน้องปีที่สองณนะจังหวัดราชบุรีนะครับต้องบอกว่ามุ่งมั่นกับการสานต่อพลังแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยัง้งกับโครงการติดฟ้าผนังยิบซ้ำและทาสีให้กับอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรีนะครับที่บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิบซ้ำสาบุรีหรือยิบซ้มตาช้างนะครับได้ผนึกกําลังกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดนะครับต่อเนื่องกันเป็นปีที่2นะครับพร้อมใจการขนทับพนักงานจิตอาสากว่า100ชีวิตนะครับไปร่วมปรับปรุงห้องดนตรีและทาสีรั้วโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกว่า300คนณโรงเรียนท่ามะขามวิทยาอำเภอภพธาราม จังหวัดราชบุรีนะครับโดยนายจรุงการจนะภูมิครับผู้จัดการทั่วไปประจําประเทศไทยบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิบซ้ำสระบุรีจํากัดหรือยิบซ้มตาช้างกล่าวนะครับว่าทางบริษัทเองมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับโดยในปีนี้เองครับทางบริษัทยิบซ้ำตาช้างและโรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคนสําคัญอย่างสีเบเยอร์ที่เข้าร่วมกันมาปรับปรุงห้องดนตรีสากลที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานหลาย สิปีให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานนะครับรวมถึงร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะรวมถึงทัศนิยภาพผ่านการทาสีรั้วโรงเรียนใหม่นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของทั้ง3องค์กรที่จะมุ่งมั่นสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยโครงการนี้ครับเป็นการสานต่อพลังแห่งความร่วมมือระหว่าง3พันมิตรที่ยึดหลักแนวคิดร่วมให้เพื่อชุมชนนะครับโดยเริ่มต้นสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนายอย่างยั่งยืนให้ได้รับโอกาส และความรู้ที่จะสามารถนําไปประกอบวิชาชีพได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เองทางพนักงานก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เป็นผู้มีจิตสาธารณะนะครับได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรเป็นไปตามปณิธานของบริษัทที่ต้องจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไปนะครับสำหรับบรรยากาศในการทํากิจกรรมณโรงเรียนท่ามาขามวิทยาอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างสนุก สนานด้วยเหล่าผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากยิบซ้ำตาช้างโรงไฟฟ้ารัชบุรีและสีเบเยอร์ก็ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องดนตรีประจําโรงเรียนที่ผ่านการปรับปรุงใหม่นะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซ้ำลดเสียงสะท้อนตาช้างแผ่นฟ้าอะคูสติก USG บอร์ดนะครับและชิ้นงานฉลุลายสําเร็จรูปของเคเบิลบอร์ด ต, ตาช้างนะครับติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญการที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับห้องซ้อมดนตรีที่เน้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพเสียง ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าใครสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกับโครงการนี้นะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารนี้ได้ทาง Facebook บ้านเราใบรงไฟฟ้าราชบุรีนะครับกับเรื่องราวข่าวสารดีๆที่ทั้ง3บริษัทได้ไปร่วมการปรับปรุงห้องดนตรีในให้กับน้องๆที่จังหวัดราชบุรีครับคุณฟังครับนี่คือ2เรื่องราวของ ข่าวสารที่ผมนามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับวันนี้ในช่วงคนอาสาเราต้องพักกันแล้วนะครับติดตามได้อีกช่วงหนึ่งในช่วงหน้านะครับกับเรื่องราวของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการเติมเต็มรอยยิ้มและความสนุกให้กับเด็กๆนะครับทั้งการบริจาคสิ่งคองช่วยการทําความสะอาดนะฮะเป็นพี่อาสาเลี้ยงดูน้องๆทํากิจกรรมสนุกๆให้กับน้องๆนะฮะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้ากับภารกิจจิตอาสาครับ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 ส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสร้างความสา ม, มัคคีในหมู่คณะผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 025493680-1 และ0818668591 RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 ครับมากับช่วงนี้นะฮะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามาชวนคุณผู้ฟังไปเติมเต็มรอยยิ้มและความสุขใจให้กับน้องๆกันนะครับทั้งเรื่องของการบริจาคสิ่งของช่วยทําความสะอาดนะฮะรวมถึงการเป็นพี่ในการเลี้ยงดูน้องๆนะฮะรวมถึงทํากิจกรรมสนุกสนุกให้กับน้องๆนะครับคุณผู้ฟังครับงานอาสาที่เลือกมาแนะนําวันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาในหมวด นี้เท่านั้นนะครับซึ่งผมนะครับไปเลือกนํางานอาสาเหล่านี้มาจากเพจของจิตอาสาแบงก์หรือว่าธานาคารจิตอาสานะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะว่างวันเดียวหรืออยากแบกเป้ไปสูตรอากาศที่ต่างจังหวัดนะครับทางผู้จัดงานก็พร้อมรับแล้แค่เข้าไปสมัครนะครับเรื่องงานที่โดนใจที่สุดแล้วก็ไปสมัครเลยก็จะได้ร่วมงานอาสาเหล่านี้กับ เพจของธนาคารจิตอาสานะครับงานเล็กที่มาแนะนำนะครับเป็นงานจิตอาสาทําความสะอาดศูนย์การเรียนรู้บ้านเด็กอ่อนคลอง6นะฮะที่จัดโดยมูลที่สุขภาพไทยนะฮะ ร, รวมถึงงานอาสาทําความสะอาดบ้านพักเด็กราชวิถีที่จัดโดยมูลิี่สุขภาพไทยนะครับหรือจะเป็นงานพี่เลี้ยงอาสาพาน้องเด็กพิเศษขี่ ม, ม้าฝึกสมาธิที่จงังหวัดอบบุบลราชธานีที่ จัดโดยวันไฟเดย์นะฮะหรืองานเนรมิตรอาหารบริจาคสิ่งของน้องๆโรงเรียนอุ้งฝางดินแดนลอยฟ้าที่จัดโดยกลิ่อาสานะฮะและกิจกรรมอาสาสอนน้องทำของเล่นจากธรรมชาติในงานพีตาโขนที่จังหวัดเชียงรายที่จัดโดยวันไฟเดย์เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจกิจกรรมเหล่านี้ที่นำมาแนะนำนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครนะครับที่ w w w บจิตอาสาแบงก์คนะครับไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมต่างๆตามแต่ละลิงก์ที่เขาได้โพสต์ไว้นะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าลิงก์รายละเอียดนั้นๆเลยนะครับแล้วก็รอการตอบรับจากผู้จัดทางอีเมลหรือว่าทางล็อกอินที่ลงไปสมัครไว้นะคแค่นี้ก็จะสามารถร่วมกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะฮะที่ผมนำมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมในช่วงของภารกิจจิตอาสานะฮะหรือคุณผู้ฟังจะไปหางานอาสาต่างๆ มากมายเลยนะฮะได้ที่เพจของจิตอาสาแบงก์หรือเพจของธนาคารจิตอาสานี้นะครับเขามีงานอาสาต่างๆที่มีทางกลุ่มจิตอาสาต่างๆมาโพสต์ไว้มาแบ่งปันมาแชร์ขอรับบริรับบริจาคบ้างรับสมัครจิตอาสาบ้างตามเพจนี้มีมากมายหลายกิจกรรมสามารถเข้าไปร่วมแบ่งปันรวมถึงร่วมสมัคร ร่วมกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้ทางเพจของเขาได้กับธนาคารจิตอาสานะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้กับรายการสุขอาสานะครับซึ่งหมดเวลาของรายการสุขอาสาแล้วนะครับกลับมาพบกับผมได้ทุกวันสุขแบบนี้กับรายการสุขอาสาทางวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะฮะเอฟเอ็มแปสิเกาหิเกร์นะครับสำหรับวันนี้ผมรนะัฐพลดีอุดขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ